2.29 หัวหน้ากิเลสซ่อนอยู่ในใจเราวงเล็บเปิด19มกราคม2 5 5 0ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหวงเล็บปิดรู้เท่าที่รู้ได้มันไม่มีคำว่าในเครื่องหมายคำพูดควรคำว่าในเครื่องหมายคำพูดต้องนะมันรู้ได้แค่นี้มันก็แค่นี้แหละ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 ดูไปจนเห็นกระทั่งความสงสัยเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปการเรียนกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความแตกชานในธรรมะมากมายเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่ดับไปทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นแค่ว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วความสงสัยดับไปเห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องหาคําตอบมาให้มันนะมันจะหลอกเรา กิเลสทุกตัวหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้สึกตัวมากๆเข้าวันหนึ่งเราจะชนะมันดังนั้นมันต้องพยายามหลอกล่อให้เราลืมตัวเองซะครูบาอาจารย์อาจารย์มหาบัวบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดหัวหน้ากิเลสซ่อนอยู่ในใจเราปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะฉะนั้นมันจะกลัวมากเลยว่าเราจะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเดี๋ยวเราจะไปเจอว่ารังโจรอยู่ในใจเรานี่เอง ดังนั้นมันจะผลิตกิเลส ต, ตัวเล็กตัวน้อยออกมาหลอกล่อเราคล้ายๆเราจะเข้าบ้านเราอยู่แล้วเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วหัวหน้าโจรยังอยู่ในบ้านมันกลัวเราเข้าบ้านนะมันก็ให้ลูกน้องวิ่งออกมาคนหนึ่งวิ่งหนีไปเราก็หมัววิ่งตามไปนะทางนี้ขนของเกลี้ยงเลยนี่กิเลสมันจะใช้วิธีเดียวกันนี้พอความสงสัยเกิดขึ้นมาเราจะวิ่งไปคิดเลยใช่ไหมเราลืมดูจิต ด, ดูใจตัวเองเราทิ้งบ้านเราไปแล้ว วิ่งตามกิเลสไปพอความโกรธเกิดขึ้นเราก็วิ่งไปดูคนที่เราโกรธดูซิมันจะทำอะไรบ้างสังเกตไหมเวลาเราโกรธใครมากเราก็คิดถึงคนนั้นมากแทนที่เราจะรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่ความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักนึกออกไหมเราลืมดูว่าเรารักอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นเราจะไปคิดหาคำตอบลืมรู้ว่ากาลังสงสัยอยู่กิเลสทั้งหมดเลยจะให้เราลืมตัวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลมันกิเลสเกิดขึ้นมาดูลงไปกิเลสเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราเป็นแค่คนดูไม่ห้ามมันนะไม่ได้ต่อต้านกิเลสแต่ก็ไม่ได้หลงไปตามมันไม่ต่อต้านมันแต่ก็ไม่ได้วิ่งตามมันไปแต่ละคนไม่มีอิสระภาพแต่ละคนตกเป็นทาสของตัณหาตัณหาสั่งให้พูดต้องพูดนะไม่พูดแล้วอึดอัด ลงโทษเลยเธอได้พูดแล้วสบายใจนี่ให้คุณมันเป็นเจ้านายที่รู้จักให้คุณให้โทษเราฉะนั้นให้เรารู้ทันมันอย่าหลงกลมันมันอยากพูดก็รู้ทันพอเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคราวนี้เหลือเหตุผลแล้วว่าสมควรพูดก็พูดไม่ใช่ความอยากเกิดขึ้นแล้วต้องห้ามพูดตลอดนะไม่ใช่เพราะความอยากดับไปแล้วเนี่ยมีเหตุสมควรพูดเราก็พูดให้รู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเอง